นักภาวนาข่วนดินถ้ำตนให้เป็นภูหมดทารักปศุเรื่องท่าละออกทาละต่างๆที่มีอยู่ภาละแยกงานการสัง่งต่างๆรวมรับติด ช, ชอบเรื่องขอ้อเรื่องขั้วเรื่องหัวเรื่องเนี่ยเรื่องลูกเรื่องเต่ารักสมบัติมือน น, นนั่นแหละท่าละทั้งนั่น เบียดงนัน <c oughs> ต่างๆเสร็จภาระขวอมหวัวข้อมแหขนในทรัพย์สินสมบัติต่างๆภ า, าละทั้งนั้นน่ะหนักาว่าหน้าจะต้องเอาออกเนี่ยต้องพยายามเอาออกคืดเห็นว่าอัะไรมันคือนักนะเอาออกคือจังเขา้าหามหาบหน้าหรือหาบตาไมาหยุดนะอันนั้นมันนักเรื่องฉันหละ่ะ อันนี้ว่างลงครับนี่ในปงล่องว่างลงกันว่างลงได้กรตากระเบาเบากระตาเบาบาอย่างนี้ดอันนี้ข้าระมันในนักพาหมนามันอยู่ในใจแต่ไปย่ำว่างพ่วมรูซึบนักอกนักใจมันออกกันว่างออกได้เลืยเด็ดขาดอันนั้นสติปัฏฐานักอีดอกจะกันว่างได้ตัววางตัวข้าว พอท่นแล้วเบียบดบอท่ามดบอท่านมดเบียดเสื้อหนิจะเข้าันไปเอามาแดกอีกันสับพอท่นเศร้านักแหละพอจิตใจนักอีรู้แต่ว่าค้นเท่าเนะี่มันมันบ่คือกันชีวิตเนี่ถ้ารังคน้นจะหอดวางสิปงสิว่างแล้วถ้ารังคนกับพอท่านหอดวางวันพอท่นหอดตายท้า ันเป็นว่างก็ว่างไว้ก็ว่างสู่ข้าวสู่ันสู่มือสู่ฟันคือคือแน้อยก็ได้เอามาแบกหีเหนคือผู้มีขอบมีขั้วมีลูกมีเต่ามีหัวมีเมียที่ต้องดูต้องแล่มีลูกมีหลานต้องเป็นพระละกันมัทภาวนาว่างออกสู่ฟันว่างออกจากข้อน รับผิดชอบกับค้อมูลตื้นนักใึใจสะพอนล้วก็สั่งใจพาวนานั่นน้อยจะ้ะสงับไปสงับไปลัะพระละอีกละ น, นั่นเอ่นว่าว่างไว้แล้ว็ตสองกับไปแบดขึ้นอีกแตมันเป็นวิถีชีวิตของครูยังสันการคิดพิมเลยว่างเลยโดยจนเกิดผลว่ได้มันว่างออกจาก ใจเข้าบไปหุ่งไปยังก็มันก็ได้ยินแ่าจแต่วัดนี้ในใจที่มันบ้างบออกมันต้องรไปถึงวังทุกทายจะเป็นมดเยียดมัดทาละดีๆีนึ่ลูกเต่าหัใหญ่ล้านหลูกล้านคู่ที่เขารับคต่บใหญ่มืดแล้วนะจเป็นอิสระนั่นอันจะบ้างเขาบ้างจังว่างอมมืดได้คุยังตันนั่นหละคนเขามาคือกัน อันทีว่ากิมโลดว่างโรดแล้วหนลังคนมันขันว่างว่ท่านใดนะครับโฮชัโตจะของจะกันว่างบ่าใดก็ว่างตัวข้าวจะตอนฮาร์ดเฟสตรงฮาดวาา่างฮาดเรื่อยๆฮาดว่างไวเรื่อยฮร์ตัวข้าวมันจะดีเท่ากันแต่ จ, จะหอดกชุดไทยบัตรจีว่างแล้วมันว่างได้ดีนี่อันพูดลังค้นบ่าในฮาร์ดไวเงยไปหอดชุดไทยเรียกเสมอแล้ว เบียกหัวเรียกเนี่ยก็ะมืแล้วเรียกลูกเรียกหลา น, นก็ะมดแล้วนมันยังมาว่าใดมาภาวนาบ่ใดมันละมันฆ่ากันละ มันค่ามันฆ่าไปอยู่ใจค่ายึดใจเจ้ของขันทัดว่างไปเรื่อยในใจไนเฮาฝึกลว่างเข้าสบมุสะเลนั่นแหละมันผิดสานั่นไห่ใจมันผิดสานันมันหอดเมาว่างอิริมัธละอีมีละว่างไดเดสขาดอิริมัตังใจภาวนาอิมาตังใจภาวนาไดเดสขาดเวองต้นว่า บ้หว่วงดี๋ย่ะลูกเต่าเนี่ยบ้งห่วงซักจิ้นเงินท่องกับบองห่วงา่าจนผมบ้างหมดแล้วเด็ดขาดเลเข้ามาบวชได้บวกก็ข้าบวชพืนี่ยคืชพ่น อ, อ, อยู่พกลับไปลับไปเรื่องนั่นเรื่องนี้เรื่องกิจการกิจกรรมกิจการเพื่อนฉันละอันนี้ก็ยังพรท่านโอนให้เสาอันนั่นก็ยังพรท่นเรียบร้อย ลูกเต้ายังกัท่านเด็เป็นฟังเป็นฟ้าอีกเน่ยนั่นคือทวงยังจต่มันบอบบอควาดคื อ, อยังสั้นทํางให้มันขาดให้มันมดืดมิดจระจร ะ, ะ, ะอีนี้คืดว่าในที่สุดเป็นเข้าโต้ตัวเดียวนี่แหละเขาสีสายเข้าเท่าายแลว้วเข้าจีสายแลว้วต่อไปมีเทียมตัวตายแล้วเนี่ยจีเป็นข้อจ้าไม่เลยอย่างน้ำค น, นคือยังสั่น ยังเป็นหัวซาหลายกับผู้หนึ่งผู้หนีเอาเรื่องของเี่ยวของเพมันเลยหลายใหญ่แต่่าคิดเรื่องของเลยหลายคิดค่อยคิดว่างพอเป็นคิดเอาคนเทบใครหรือช่วยหรือเือกันเน่ยติดจิตสบาสคิด ว, ว่างลูกเดียวติดถิ่มมันถิ่มมั่หลวดกันยกันทถิ่มมันมันติดิ่มกูวางหัดคอยหัดว่างเลยฉัน สัญชาไปร่พยายบาลหมอเขาก็สิดัวง่ายรักษาง่ายอืพอไปดื่ไปหุ่นเอาน้าหมอพออดก็อดพอทนก็ทนได้เนี่ยันนดอกที่พิจรารณาไม่ใจเป็นเฮาพิจรารณานัา่นงอยู่ตรงนี้แต่บ่ทําก้นโงกับพิจร า, ารณาเป็นศิลาที่มันอ่ะอันเขาสี่ได้ดีบวกมันได้ดีเงี้มานนั่งเขาวันหน้านั่งกันเงี่ยมือแลง คนถ้าพามนาศานติหน้า ท, นที่ได้ดีมันบ อ, อ, อ, อก ม, ม, นนะมันดียงอนหันดอกผู้ีเนี่ยมันดียงอนมันออกจากหันไปแล้วเลยไปหาอยู่จ้าของชาวนาจ้าของเดินจงกรมจ้าของนางสมรมจีเจ้าของเนี่ยมานั่งอยู่น้ากันยังที่อ่ะมูคุยกันชวนเต้นชวนเต้ น, น, น, นเข้ากันั่งสงบใจกำหนอดอยู่นี่แหฉะพิจานณาโอ้คนเขานอมานางังนี่จะเรื่องจะเบาจะคุยกัน ได้เหลืองอีกย่งน่ใจียสงบก็บุญจะเกืออือเฮาจะตื่นจะันเอ้ยกำหนดใจไวเป็งสิเงทีมองมันสะได้มันได้ยังสิละสมาธิจะติเป็นเมื่อไงสิละปัญญาข่มเสลียวสลาดเรื่องกลางก็าติเป็นย่อนยังีิละย่อนย่านนี่หละย่อนเฮาเรยมะขุสมาเห็ดมาหวั่งยุคดีเดียวยังสิละนี่เนาะมันสิได้ได้ปะโนอนี้ หาคุดหาเกีือเสร็แล้วเว้ยมันมาหอดหม่องหอดคิวอะไรเด้มันบมเมนต์โมมี่มันมีหลายอย่างเลยตับสมบัติอย่าน้มีไม่หม่องเขาเลสสวาน่าเนี่ยมีอยู่จั๊กคุดจักเกีืเอาเมืนก็ได้ขนั้นละอันทุมายืนยืนนอนเฉยๆเวลาคืนๆอนี่ให้นมดเต่ามดแร้งมดขึ้นขึนน้อซตัวคืนๆเนี่ะบ่ได้เงี้นดอกมันจะเทาไงล่ะเทาไปตัวๆซื่อๆเลยายล้ขากกัน อยากหาวารีวะหาปุราภารีปุเรนติตากระัง